ทุกปีในวันเข้พาพรรษาเป็นการธนุบรบรุงพระพุทธศาสนาสร้างถาวรวัตถุนเะซื้อที่ดินถวายวัดนะก็ได้บุญทุกอย่างเป็นการพัฒนาจิตของเราดวงจิตเนี่ยมันเป็นาธาตุอย่างหนึ่งเป็นาธาตุโลเนี่ยมันเกิดขึ้นมัน ธาตุรู้นี่มันมีขึ้นมาเมื่อไหรเก็ไม่รู้นะธาตุรู้นี้เนี่ยนะแต่ความก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้มานานนกักธาตุตัวนี้เนี่ยมันไม่แตกสลายไปไม่หมดไปหรือไม่สูญไปเลยแต่ว่าตายแล้วสูญนี่คือร่างกายนี่มันก็หมดไปดวงกิจเนืตัวธาตุรู้นี่มันก็สูญไปเลยหายไปหมดไปเลย ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะตัวท่านรู้นี่มันต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนะมาเป็นมนุษย์บ้างสูงขึ้นไปเป็นเทวดาสูงขึ้นไปเป็นพรหมถ้าบริสุทธิ์ก็ขึ้นไปเป็นพระนิพพานถ้าต่ําลงมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงชานนะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นมา้าเป็นช้าง ตำลงไปอีกก็สู่เป็นอบัยภูมิภูมิที่ไม่สบายก็เรียกว่านรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นภูมิไฟต่ำมนุษย์นี่เป็นภูมิที่อยู่กลางๆงอย่างตอนนี้พวกเราก็จะเดินทางไปทางไหนเราก็เลือกเดินทางได้ น, ะ, นะทางในโลกเนี่ยมีถนนท่อง ท, งทางที่มันขรุขระ เป็นหลุมเป็นบอ่อนะมีอันตรายมากมายทางนั้นเราจะเดินไปไหมเออหรือว่าทางที่มันพอที่จะเดินทางไปได้นะอย่างพกมนุษย์นี่แหละนะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างนะแต่ว่าไม่มีอันตรายหรือทางที่มันปลอดโปร่งมากเลยนะทางที่ดีมาก ปลอดภัยด้วยเดินทางเส็จนั้นแล้วก็มีความสุขก็มันทางไปสวรรค์นะไปเป็นบร ม, มปล่อยวางได้ไปเป็นพระนะก็เป็นดการเดินทางอยู่ในโลกนี่ยคราวนี้การเดินทางทางจิตนี่นเหมือนกันนะทางจิตเราจะเดินทางไปทางไหน จะเอาจิตเราไปทางไหนนะแต่จิตของเร า, าจะต้องการความสุขพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไปแล้วว่าทางศีลธรรมะปัญญา น, น, นรูธทานศีลภาวนาเจตของเราจะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตถ้าเราไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ ไปทางอาวัยภูมิจิตของเราก็ไปอวัยภูมิดังนั้นก็เต็มไปได้วยความทุกข์มึงคนก็หลงมากๆเหมือนกันนะเขาว่า เ, เกิดในนรกนีมันมากดีมีเพื่อนเยอะก็อยากจะไปเกิดในนรกเอออย่างนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักว่ามันจะทุกข์ยากลําบากอนะมันจะมากก็ตามแต่ว่าต่างคนต่างทุกข์นี่ มันก็ไม่มีใครจะช่วยใครได้นะไม่เหมือนเป็นมนุษย์นี่ต่างคนต่างช่วยกันมีความสุขยิ่งขึ้นไปอย่างพวกเราจัดการถวายเทียนเข้าภาษาก้าวัดเป็นประเพณีที่พระพุติปฏิบัติกันมาด้วยแล้วก็เป็นจาคานุสตินะลึกถึงทานเป็นอารมณ์นะเสศระ จิต ใ, ใจเราจะเบิกบานเป็นบุญนะอาจจะอยู่ได้หลายวันใน ใ, นใจนะบุญเนี่ยนับก็คงจะสร้าบมาบุญเป็นอย่างไรเหมือนก็คือความสุขใจในใจที่มันฟูขึ้นมาสบายนะี่เป็นบุญ ấy. นะเมื่อมีบุญแล้วก็ต้องมีกุศลคือความฉลาดมีสติก็มีปัญญารู้ด้วยวเออนี่บุญเกิดขึ้นแล้วนะเป็นอย่างนี้บางครั้งบาปเกิดขึ้นใน ใ, นใจก็รู้จักอันนี้เป็นบาปนะ ก็พยายามละไปนะั่นแหละในใจตรงนี้นะที่บาปเกิดขึ้นมาก็พยายามละนล้พยายามอย่าให้เกิดบุญเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามทำให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้นี่มีความเพียรความเพียรชอบนะความเพียรชอบสัมมาวายาโม О. ความเพียรชอบนันการข้นขวาย การจัดงานก็มีความเหนื่อยยากลำบากแต่ว่าผลออกมาก็เป็นความสุขใจคณะกรรมการที่จัดก็มีความสุขใจมีปิติมีความสุขถ้าเราทำคนเดียวนะก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าเรารวมกันไปอีกบุญก็มากขึ้นนะบุญก็มากขึ้นกว้างขวางออกไปนะมากขึ้นนี่งไงว่า บุญเกิดจากการให้ทานเมื่อเราทำเป็นประจำในการให้ให้ทานและทำบุญนี้เราก็เข้าใกล้กับพระพุทธศาสนาขึ้นมานัคือเรามีศีลเรามีทานมีศีลสวดมนต์ภาวนานะก็มีโอกาสได้เข้าไปที่วัดก็จะได้ฟังธรรมนะได้ฟังธรรมะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ท่านจะนํำมาสอนเร า, าปฏิบัติตามธรรมะนั้นเราก็จะรู้ทางค้นทางในการที่จะดําเนินชีวิตของเราเพรนั้นของพระพุทธเจ้าที่กว้างใหญ่เป็นสารหาที่สุดท้ายประมาณไม่ได้หละพระมหา ก, กรุณาธิคุณเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีตาดีปัญญาดีแล้วเนี่ยนะบอกค้นทางแก่เรา สมมติว่าเรานีนะ่เป็นคนตาบอดมีคนตาดีก็มาบอกแล้วว่าให้เดินทางนี้นะเป็นหุนทางที่มันจะราบเรื่นไม่มีน้นาไม่มีบอ่อไม่มีอันตรายไม่มีความน้ำนะเดินไปทางนั้นมันจะเป็นเจอป่าที่ลกทึบเต็ไมไปด้วยสัตว์ที่มีอันตรายนะผ่านแม่น้าที่มีสัตว์อันตรายเช่จระเข้ ย่งเป็นตน้นนะั่นเราตาบอด น, นี่เราก็เดินไปไม่ถูกอ่ะคราวนี้มีคนตาดีมาบอกเราอย่างนั้นเราเราก็ไปตามทางนั้นเราก็จะพ้นจากอันตรายแตนะถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไปเองสเปสสป่าไปลองลองคิดดูที่ว่าโอกาสจะรอดชีวิตมันจะมีเท่าไหร่ การเดินทางกิตนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระองค์รู้จักคนทางแล้วนะพระองค์สร้างบารมีมารู้จักคนทางแล้วเป็นผู้ตาดีก็บอกคนตาบอดให้เดินทางนี้นะจิตของเรามันบอดเพราะว่าความมืดคืออาวิชาเนี่ยมันคร อ, อ, อบคุมจิตของเราไว้จิตมันยังสว่างไม่ได้ความมืดมันครอบไว้แลี่ความมืดเนี่ยเราจะทําให้หมดไปได้ไหม ความมืดนี้ให้หมดไปเลยเราจะทำยังไงมีวิธีการไหมว่าเอาทำความมืดให้มันหมดไปนะก็คงจะต้องทำความสว่างให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำใจของเราให้สว่างขึ้นพอ ม, มืดก็จะหมดไปจากใจหรือในห้องในศาลาที่กลางคืนมันมืดเราไม่ต้องการความมืดนี้เราก็หาแสงสว่างมาความมืดก็จะหายเอง เมื่อกิเลสมีอยู่ในจิตก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์เราจะทำกิเลสให้มันหมดไปได้อย่างไรเราไปถางไปถางให้หมดไปก็ไม่ได้เราต้องเดินมรรคนี่มีวิธีการเดินมรรคสิริปัี่ปัญญาเมื่อเราเดินมรรค น, นี่ยผ่านเกิดขึ้นมากิเลสมันก็หมดไปความทุกข์ก็ไม่มี พระพุทธเจ้าก็รู้ห้นทางแล้วว่าความเมื่อที่มันครอบคุมใจของเรามานานน่มันหลงเนี่ยจะหมดไปโดยวิธีนี้พระองค์ก็บอกวิธีไว้แล้วให้เราเดินในทานศีลภาวนานี่นะโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยการทำใจให้สงบเราจะบริกรรมกรรมฐานบทไหนล่ะให้เข้าใจกันว่าบทใ ด, ดบทหนึ่งนี่ก็ได้ที่เราชอบ เราชอบเราอย่าไปลังเลเราตักอาหารเราชอบอะไรเราก็รู้จักเนี่ยรับประทานอาหารอะไรรู้สึกมันถูกกับเราเราก็รู้จักการประทานนี้ถ้าให้มีหลักว่าการลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธธรมโมสังโฆหรือในการทรันติสองอาจจะเป็นอัฐิกระดูกก็ได้ท่องบริกรรมไว้ เราชอบพุทธโธกับพุทธโธไปไหนยืนเดินนั่งนอนพุทธโธไว้เมื่อเราพุทธโธมากๆหรือบริกรรมอัติกลางปฏิกูลังหรืออัติอัติมากๆจิตสงบนะจิตสงบขึ้นมาคำบริกรรมจะหายไปจะมีความรู้สึกว่าจิตนี้สงบมีพลังขึ้นมารวมกันเข้ามาบางครั้งมีปิติมีความอี่มใจนะตัวเบาตัวลอย ผลพองสยองก้าวนะต่างๆนี่เกิดขึ้นน่ะนะหรือบางครั้งรวมจิตใจแน่นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมาธิเราทำบ่อยๆขึ้นมาก็ข่มกิเลสเอาไปได้กิเลสคือความโลภกดหลงจะถอยห่างไปคือความมืดห่างออกไปจากจิตความสว่างเกิดขึ้นนะในโชกข่าวแล้วข่มกิเลสเอาไปได้โชกข่าว ถ้ทาทังขวิมตดวิขำปัญาวิมตดข่ ม, ม, ดมกิเลสไว้ถ้าสมาธิหายกิเลสเกิดใหม่อีกน้าต้องทําสมาธิอีก น, น้าก็ต้องทําทานพักษาศีลไว้เป็นพื้นฐานภาวนาไว้เป็นหลักของใจเมื่อเรามีทานมีศีลเป็นปกติมีภาวนาเป็นหลักแม้จะยากสักหน่อยก็พยายามเป็นนิสัยปัจจัยไว้ชาตินี้ยังไม่ได้ชาติหน้าคงได้มันใกล้เข้าไปทุกครั้งอะ่ะ กาเขาไปทุกชาติทุกชาติวันหนึ่งต้องสมเร็จต้องบรรลุแต่ถ้าเราปล่อยไปไม่ภาวนานะก็ฐานก็ให้ความสุขศีลก็ให้ความสุขขึ้นมาแต่เวียนแม่ตายเกิดอยู่ไม่จบถ้าเราพลาดตอนไหนไมันจะลุงปสัสสาวะาบยูมได้นั่นะเราต้องมีภาวนาไว้เป็นหลักเ่เรามีภาวนาได้สงบแล้วพิจารณากายข้อนนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตธาตุรู้นี้ เรปล่อยไปตามธรรมชาติไม่เป็นเราแหละกิเลสมันก็จะมัเป็นเราท่านนี้เป็นของเราความจริงท่านนี้ก็เป็นท่าธรรมชาติเหมือนกันนะท่านรู้นี่ยนัมีหน้าที่รู้เขาก็รู้เมื่อรู้ไปแล้วหลงขึ้นมาก็ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนะแต่ตอนนี้ว่าเรายังมีเราอยู่เมื่อเรามีเราจิตกับเรากายนี่กับเราเราต้องการความสุขเราก็เดินทางที่พระเจ้าสอนว่าให้เดินทางนี้ ตางเห็นความสุขเห็นความสงบใจนะไปสู่มนุษยสมบัติไปสู่เทวสมบัติเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญทําใจใผ่องใสของเรานะก็จะเอาความมืดนี่ออกเปรียกใจได้เพราะแสงสว่างเกิดขึ้นมานั่นเองถึงจะมีความมืดอยู่แต่ว่าความสว่างมันคงที่อยู่แล้วทําทอะไรไม่ได้ความมืดครอบงำไม่ได้ ใจของเรานี้คือเหมือนกันยังต้องมีการภาวนาไว้ปฏิบัติเอาไว้นะตั้งใจเดือนหนึ่งแล้วก็มารวมกันเนี่ยนับปฏิบัติในเสารต้นเดือนก็พยายามนะเป็นของเราละชีวิตนี้มันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันนั่นแหละนะไม่ใช่เรามีอะไรมากมายแล้วเราจะพบกับความสุขจริงๆเลยยังไม่ได้ใจก็ยังทุกอีกใจยังด่นลน้นรนขวายเป็นทุกข์ ต้องมาภาวนาเนี่แหละให้มีปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะจะเห็นธรรมะก็เห็นที่ใจตรงนี้ฝึกใจตรงนี้ให้ดีกพื่มาเป็นใจที่งดงามนะจะนําความสุขมาให้กับเรานะจิตตัง้งทันตังสุขขาวหางจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนําความสุขมาให้นะใจของเรามาเรียนรู้เรื่องของกายนะ เนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของใจนี่เราก็จะปล่อยวางได้ในใจจะเป็นอิสระนะแต่ความยึดถือนั่นแหละเนิพพาน น, ะปานาะปล่อยวางพิจารณาแล้วปล่อยวางในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพระธรรมลมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจความคิดนึกปรุงแต่งเห็นไหมเราดูในใจวันๆหนึ่งคิดดีก็มีนั่นะเดี๋ยวก็คิดไม่ดีก็มีนะอะไรที่มันคิดไม่ดีเป็นอกุศลปล่อยไปเลยพยายาม อย่าให้เกิดเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละทีแรกๆเลยพยายามไม่ให้เกิดมันยังยากอยู่มันเกิดขึ้นมันคิดมาแล้วเกิดขึ้นก็พยายามละนะเป็นธรรมดากะละไปเกิดขึ้นมากะละอีกเกิดขึ้นมากะละอีกเราละไปทุกวันทุกวันนั่นแหละนะต่อไปมันก็จะเบาลงไงนะทั้งละด้วยทั้งบำเพ็ญความดีด้วยเบาลงต้องผ่านอุปสรรค ผ่านอะุปสรคกิกเลสสมามันจะขดขัดขวางจิตของเราอ่ะจิตของเราจะทำความดีนะ เ, เรามาละมาละมาขัดขวางไว้นะต่อมาก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะ่ะก็จะสงบงสงบนะจากอบอายภูมิจิตที่มันคิดไปทางอับอายจะภูมิมันก็น้อยลงมันก็คิดทางดีทำดีพูดดีทำดีขึ้นมาก็เป็นสวรรค์นะี่ มนต์แท้ก็อดทนอยู่ทางกายวาจาทางใจ ย, ยังค่มไม่ได้ต่อมาถนะ้าขมใจได้สงบก็เป็นสวรรค์ขึ้นไปเหมืออบานใจอิ่มใจนะเราก็พยายามฝึกอย่างนี้แหละนะทำไปทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเดือนทุกปีจากนี้ไปอีกแล้วมันก็จะได้ผลไปเรื่อยการพัฒนาใจไปทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะพบกับความสุขนะความสงบนะก็วันนี้ก็วัน สองต้นเรือนก็ให้ตั้งใจปฏิบัติกันทุกคนให้เจริญในธรรม